เย็นชนินที่เพียงแค่อยู่ใกล้ๆนะเราก็ปล่อยเย็นใจไปด้วยบางคนอาจจะมีความวิตกกังวลกลับกุ้มรุ่มร้อนนะแต่พอได้มาอยู่กับท่านได้อยู่ใกล้ท่านนะเห็นรอยยิ้มของท่านสนทนากับท่านก็ปล่อยอาหายรุ่มร้อนแต่ท่านั่นคงไม่พอนะ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 พูง่ายคือว่าสิ่งไม่ดีที่มากระทบกับเราเนี่ยอันนั้นเรียกว่าอนิจฐานมคนเราเนี่ยจะจะแสดงตัวตนที่แท้จริงนะก็ตอนที่มีสิ่งไม่ดีมากระทบไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางดิ้งทางกายลมทั้งทา ง, ทางใจรู้วควาเขียนในเวลามีอนิจฐารมมากระทบเนี่ยท่านก็สามารถจะสงบดิ้งได้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 ไอความโกรธนะั้นก็สลายไปเลยปกติคนโกรธเนี่ยนะเวลาเขาเจอใครเนี่ยแล้วเขาระบายความโกรธนะโดยคําต่อว่าด่าทอเนี่ยอีกฝ่ายก็จะโกรธตามไปด้วยคล้ายๆามันติดต่อกันได้นะความโกรธนี่มันมันเหมือนกับเชื้อโรคนะมันต่อกันได้นายกโกรธดา่านายขนายขอก็เลยโกรธนี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 สมัยท่านมีชีวิตยอยู่นะก็คือว่าเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธนะหลายคนฟังก็งงๆนะมันหมายความไงเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธความหมายเนื้อคือว่าเนี่ยใครที่ระบายความโกรธใส่ท่านเนีพอมาถึงจิตถึงใจท่านมันก็หายไปเลยมันกลายเป็นความไม่โกรธนะเพราะอะไรเพราะท่านนะมีทั้งสติและปัญญาที่เราเรียกลมรวมว่ามีธรรมะ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 แค่เปลี่ยนมันนะไม่ต้องไปสู้กับมันแค่เปลี่ยนมัน <c oughs> ความโกรธนี่เเปลี่ยนได้ยังไงนะเปลี่ยนได้ด้วยการที่มีสตินะพอมีสติเข้าไปรู้นะมีสติเข้าไปเห็ น, นความกลุมก็สลายตัวไปกายเปความไม่โกรธเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยเห็นมันอ่าไอความทุกข์ใจก็หายไปกลายเป็นความไม่ทุกนะไม่ต้องไปกดคมนะไม่ต้องไปต่อสู้กับมันเพียงแค่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 บางคนก็เวียงีินใส่คนอื่นเพื่อเป็นการประชดหรอือเป็นการแก้แค้นแต่บางคนพอเจอความเจ็บความป่วยแล้วนี่เขากลายเป็นคนเข้มแข็งกว่าเดิมเมื่อสองสาวันก่อนก็ไปไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งเธอเป็นโรคคุ่มพวงนะแล้วก็อาการก็หนักมากมเจ็บไปหมดทั้งตัวรู้สึกเจ็บแมก้กระทั่งกระดูก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 อันนี้มันท้อนหนึ่งจิตใจที่ไม่ยอมรับความเจ็บป่วยมันไม่ใช่แค่กายป่วยเดียวใจก็ป่วยด้วยแต่หลังจากที่เธอป่วยติดต่อกันมาหลายปีจนกระทั่งบางครั้งก็ชีวิดไม่รอดะทุกวันนี้ก็อยู่ห้อง icu มา4ปีแล้วไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่จิตใจนี้กลับเข้มแข็งมากเข้มแข็งในที่นี้ไม่ใช่แข็งกระด้างนะมีความอ่อนโยนนะ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 มันเป็นปัจจัยมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเช่นเดียวกับโกรธก็กลายเป็นความไม่โกรธได้ทุ ก, ก็กลายเป็นความไม่ทุกได้หรืออย่างน้อยๆ่ยเราก็เปลี่ยนทุกกลายเป็นธรรมเอามาเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องลดละขูดก่าวกินเลยสมัยที่หลวงปู่ขาวยังมีชีวิตยอยู่นาะที่วัดทรรกองเพนเนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสาอุปถากพระเนนดีมาก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 เงียบแมฉชีสาก็เลยพูดขึ้นมาแทนที่แม่ชีสาจะโกรธหรืแทนที่แม่ชีสาจะน้อยเนื้อต่าใจว่าทําไมครูบาอาจารย์ว่าเราเราอุตส่าห์ทำดีเราอสาดูแลพระเนรไม่ให้ขาดตกบกพร่องทําไมท่านมาว่าเราแล้วเดี๋ยวคนอนื่นเขารู้เขาเราจะหน้าไปสุกไว้ที่ไหนเนี่ยบางคนคิดแบบนั้นแต่ว่าแม่ชีสาเนี่ไม่มีความคิดแบบนั้นเลยกลับพูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านอาจารย์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 เป็นฤทธชนิดหนึ่งนะแต่เป็นเลขที่เกิดขึ้นในใจนะหมายความว่าใครปาขยะกใครใค ร, ใครโยนนะสิ่งเวลวร้ายใครมาใส่ร้ายต่อว่าด่าทอยอยังไงนะสติและปัญญาหรือคุณธรรมภายใ น, นก็เปลี่ยนให้กลายเป็นของดนะีอย่างที่ม่ชีสานะท่านอาจเป็นแบบอย่างนะคําสอนหลวงพ่อเนี่ยนะที่พูดเนี่ยนะไม่กี่ประโยชน์เนี่ยนะลองไปพิจารณาให้ดีๆนะ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์นะเปยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเป็นความเหม่เป็นความไม่หลงไม่ต้องไปทไม่ต้องไปต่อสู้กับมันนะให้ทุกขก์ความโกรธความหลงเนี่ยแค่มีสติสติก็ทำหน้าที่เปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นของดีวนะันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำความเพียร น, นะเพื่อเป็นปฏิบัติบูบชาให้กับหลวงพ่อ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 คนเราเนี่ยถ้าไม่เจอความทุกเนี่ยมันไม่มีการพัฒนานะคนเราต้องทวนกระแสกิเลสนะมันจึงจ ะ, จะเจริลงอกงามได้ปลาเป็นเนี่ยมันคือปลาที่มันว่ายทวนน้ำนะปลาที่มันไหลไปตามกระแสน้ําคือปลาตายนะถ้าเราอยากเป็นถาราไม่อยากเป็นปลาตายนะมันก็ต้องทวนกระแสกิเลส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 ในการแก้ทุกในวันข้างหน้าได้เราจะเริ่มปฏิบัติกัน2อทุมนะทุกชั่วโมงทุกตนชั่วโมงก็จะมีการแสดงทำประมาณครึ่งชั่วโมงนะตั้งแต่2อทุ่มนะไปจนถึงตีสแล้วก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะเราจะไปปฏิบัติกันที่สาระไกนะแล้วก็ตีสี่แล้วจะกลับมาที่นี่แล้วก็ทำกิจวัตรเหมือนเดิมนะจนกระทั่งตนะีหนแล้วเราก็แยกย้าย